ความรักของบางคนเหมือนแก้วหนาทุบหลายครั้งจึงร้าวของบางคนเหมือนแก้วบางทุบทีเดียวแตกเลยทุกความเสียหายมีค่าใช้ใจ่ายแก้วที่มีค่าเมื่อร้าวเมื่อแตกต้องมีใครบางคนติดหนี้เสมอคนรักไม่ใช่ถังขยะรับความไม่สบายใจไม่ใช่กระสอบทรายแทนคู่แค้นความรักที่แท้ คือการเอ็นดูกันเลี้ยงดูกันและดูกันไม่ใช่การอยู่ร่วมกันยังไม่เกรงใจกันเมื่อต้องกลับมาอยู่กับคนรักทั้งยังมีโทสะคุกรุนคุณต้องรีบสร้างความเคยชินที่จะระบายอารมณ์อย่างถูกต้องเห็นคนรักเป็นความสบายใจไขความในใจให้ฟังปรึกษาอีกฝ่ายเพื่อขอคำแนะนำหรืออย่างน้อยเห็นคนรักเป็นคู่คิด ให้รู้สึกว่าไม่ต้องเก็บกฎอัดอั้นอยู่คนเดียวโดวยไม่มีใครรับฟังหรือถ้าคนรักฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังก็เล่าอะไรที่รู้ว่าน่าฟังกับทั้งฟังอะไรที่คนรักอยากเล่าก่อนที่จะเข้าเรื่องไม่น่าฟังนักแต่หากเต็มไปด้วยโทสะพลุ่งพล่านจนขาดสติในการเลือกแถมรู้สึกว่าคนใกล้ตัวไม่ใช่ประตูทางออก ไม่ใช่คนที่จะช่วยไขปัญหาคุณจะอยากเอาโทสะไปลงที่เขาหรือเธออย่างไม่สมเหตุสมผลไปแท น, นกลไกธรรมดาของมนุษย์ที่อยากระบายโทสะหรือความแค้นด้วยการเห็นใครสักคนเจ็บปวดความคิดว่าไม่ต้องเรงใจกันนั่นแหละจะทำให้เหมือนมีความรู้สึกของศัตรูไม่ใช่ท่าทีของคนที่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปเมื่อทาครั้งหนึ่ง คุณจะอยากทำอีกแบบขาดสติและทึกทักเอาเองว่าไม่เป็นไรรักกันคงรับได้แต่ข้อเท็จจริงคือความรักไม่ได้เป็นเหมือนเหล็กทนความรักของคนบางคนอ่านเหมือนแก้วหนาความรักของบางคนอ่านเหมือนแก้วบางทุกความเสียหายมีค่าใช้ใจ่ายแก้วที่มีค่าเมื่อราวเมื่อแตกต้องมีใครบางคนติดหนี้เสมอ วันคืนผ่านไปคุณผูกสนิทชิดเชื้อคุณถือวิสาสะอย่างไรเหตุใดจึงเผอยึดเขาหรือเธอเป็นที่ตั้งของมหาอากุศลจิตมีสิทธิผูกภัยผูกเวรข้ามชาติกันไปได้คู่บุญคือคนที่คุณอยู่ด้วยและมีกระใจอยากพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆต่อกันความรู้จักพูดถนอมน้ำใจเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความรู้สึก เป็นกุญแจที่ต้องสร้างเอา